เจริญอ น, นท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดพฤศจิกายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพืชมาประพติมาปฏิปบัติ มาบำเพ็ญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพเพื่อ <c oughs> เป็นการให้อาหารแก่จิตใจจิตใจถ้าขาดพระธรรมคำสอนขาดการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจิตใจจะหาความสุขไม่ได้จิตใจจะมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อน อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษตรหรือเป็นมหาขอทานก็ใจก็จะมีความทุกข์ความรุ่มร้อนเหมือนกันเพราะความสุขของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพของร่างกายจะรวยขนาดไหนจะมีเงินมากมายขนาดไหน ก็ยังต้องทุกได้เหมือนกันจะจนขนาดไหนก็ทุกข์เหมือนกันแต่ถ้ามีธรรมะแล้วไม่ว่าจะจนหรือจะอรวย<ม>ก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะเปลี่ยนเป็นเหมือนอาหารของใจถ้าใจไม่ได้รับธรรมะก็เหมือนกับไม่ได้รับอาหารแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ ก็ต้องเอาเข้ามาสู่ใจถึงจะได้รับประโยชน์ถ้าอยู่ภายนอกใจเช่นอยู่ในขณะที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมในขณะนี้ยังเป็นธรรมะภายนอกอยู่เหมือนกับอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะยังเป็นอาหารภายนอกร่างกายอยู่ยังไม่เกิดประโยชน์แก่ร่างกายจนกว่าเราจะรับประทานอาหาร เข้าไปในร่างกายอาหารจึงจะเกิดประโยชน์กับร่างกายได้เพราะทำคําสอนของพ่อพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐสุดเลิศโลกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้เอาเข้ามาสู่ใจของเราก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ใจก็ยังไม่ได้รับประโยชน์เราต้องเอาเข้ามาสู่ใจดังดังในบทของ พระธรรมคุณที่ทรงตรัสไว้ว่าโอปนญยิโกโอปนญยิโกก็คือให้น้อมเอาพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังที่ได้อ่านได้ศึกษามาสู่ใจของเรามาสู่กายสู่วาจาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนทรงสอนให้พูดดีเราก็ต้องพูดดี สงสอนให้ทำดีเราก็ต้องทำดีสงสอนให้คิดดีเราก็ต้องคิดดีถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีได้ผลประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเรานะเพราะว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้ความสุขความเจริญถ้าเราปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบเราก็จะได้ความเสื่อม ได้ความทุบขึ้นมาเพราะธารมำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือพระอริยสงสารโกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเรารู้แล้วเราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรารู้แล้วเรา ป, ปฏิบัติตาม เราก็จะได้ประโยชน์ได้ความสุขได้พ้นทุกขนะ์อยู่ที่การปฏิบัติของเราอยู่ที่อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นเพียงป้ายบอกทางเป็นเหมือนแผนที่เท่านั้นเราต้องศึกษาแผนที่ ถ้าเราก็เดินทางตามแผนที่เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราไม่มีแผนที่หรือมีแผนที่แต่ไม่ศึกษาไม่เดินตามเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันไม่มีใครเดินทางนี้ให้เราได้ไม่มีใครทำแทนเราได้ไม่ว่าพ่อหรือแม่พี่หรือน้องญาติสนิทมิตสหายทำแทนกันไม่ได้ ต้องทํากันเองเช่นการให้ทานนี้คนอื่นให้ให้ทานแทนเราไม่ได้นอกจากว่าเป็นเงินของเราเป็นของของเราแล้วเราฝากเขาไปทําอย่างนี้เราก็ได้แต่ถ้าแม่หรือพ่อรักลูกห่วงลูกก็เลยเอางเงินทองของพ่อของแม่นี้มาทําให้ลูกอย่างนี้ลูกไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่ให้เงินลูกไป เป็นค่าขนมก็ดีเป็นค่าใช้ใจ่ายอร่อยก็ดีถ้าลูกเอามาทำบุญให้ทานลูกก็จะได้บุญการทำบุญให้ทานนี้จะต้องออกมาจากเจตนารมของผู้กระทาออกมาจากการเสียสละออกมาจากการตัดอุปทานในความยึดติดในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ต้องเป็นของตนเองถ้าเป็นของคนอื่นนี้ทำไปก็จะไม่ได้บุญเพราะไม่ได้ตัดกิเลสไม่ได้ตัดอุปาทานความยึดติดอยู่ในเงินทองนั่นเองเช่นบางคนเวลาจะทำบุญเขาก็ไปเลียดลายเงินของคนอื่นมาทำแจกซองแต่ตัวเขาเองไม่ทำเลยแม้แต่บาทเดียวอย่างนี้เขาจะไม่ได้บุญที่เกิดจากการให้ทาน เราอาจจะได้รุ่นจากการที่ไปไปบอกบุญให้แก่ผู้อื่นแต่บุญบุญที่เกิดจากการบอกบุญนี้ไม่เหมือนกับบุญที่เกิดจากการให้ทานเป็นคนละอย่างกันถ้าเป็นยาก็เป็นเหมือนยาคนละประเภทกันยาแก้ปวดหัวกับยาแก้แก้ปวดท้องนี้เป็นคนละอย่างกันดังนั้นถ้าเราอยากจะทําทาน อยากจะได้ทานบารมนีเพราะมีประโยชน์กับชีวิตของเรามากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็จะทำให้เรามีความสุขในอนาคตเมื่อเราไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่เราก็จะมีสิ่งต่างๆรอเราอยู่ถ้าเราอยากจะทำอยากจะมีทานบารมนีเราก็ต้องทำเอง ต้องเป็นเงินของเราเองและเป็นเงินที่หามาด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ได้หามาด้วยวิธีช่อโกงทำผิดศีลผิดธรรมถ้าเอาเงินที่ได้มาที่ไม่ได้เป็นเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์อา น, นิสงส์ของการให้ก็จะไม่ได้มากไม่ได้มากเหมือนกับเงินทองที่หามาด้วยความบริสุทธิ์ใจ และสิ่งที่จะให้ผู้อื่นก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์ไม่ควรให้ในสิ่งที่เป็นโทษกับผู้รับเองหรือแก่ผู้อื่นเองเช่นยาเสพติดสุรายาเมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะให้กันให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นอาหาร จะตุปปัจจัยไทยทาน ต, าต่างๆอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้อย่างนี้แล้วก็จะได้อนิสงได้บุญ ม, มากและการให้ใจของเราก็ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับแม้แต่คำว่าขอบคุณก็ไม่สนใจทำเพื่อ ประโยชน์ของผู้อื่นจริงๆทำไ ม, ไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าเอาตาเหมือนบางแห่งบางที่เขาทำกันเวลาเขาจะให้ทานเขาก็เรียกหนังสือพิมพ์มาถ่ายรูปเพื่อมาลงโฆษณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำให้ทานที่ไม่บริสุทธิ์ใจมีกิเลสมีความโลภแอบแฝงอยู่อยากจะให้ผู้อื่นเขารู้ว่า เราใจบุญเราเมตตากรุณาต่อผู้อื่นก็จะสู้คนที่ทำบุญแบบปิดทองหลังพระไม่ได้ทำบุญโดยที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าเราทำบุญเวลาทำบุญก็ไม่ต้องเขียนชื่อลงไปว่าเป็นของเราหรือเป็นของใคร ไ, ไม่ต้องให้เขาประกาศบอกว่าเป็นของเราสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ก็ไม่ต้องติดชื่อ ตามประตูตามหน้าตา่ตางตา่างๆนี่คือการทำบุญที่ได้อ น, นิสง์มากเพราะทำเพื่อตัดกิเลสทุกชนิดการอยากจะให้ผู้อื่นรู้ว่าเราทำบุญก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเรายังยึดติดในอัตตาตัวตนยึดติดในสมมุติชื่อของเรานี้เป็นสมมุติมันไม่ใช่ตัวจริงของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวจริงของเรา ตัวจริงของเราคือใจใจนี้ไม่มีชื่อไ ม, มไม่มีรูปไม่มีความกว้างความสูงความต่ำความแคบใจนี้เป็นเป็นเหมือนอวกาศเหมือนเป็นเหมือนความว่างไม่มีอะไรที่จะมาวัดใจได้ว่าเป็นอย่างไรใจนี้เป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิด ถ้าใจไปอยู่กับร่างกายใจก็อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแต่ถ้าใจเป็นใจที่หลงไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจเป็นตัวของเราเป็นตัวเราแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา คือร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาส่วนใจนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่กลับมาทุกขกับสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ไม่ใช่เป็นของตนเพราะอำนาจของอวิชชาความหลงอวิชชาปัจจยาสังขาราที่ท่านแสดงไว้นี้แปลว่าอาวิชชาเป็นผู้ทำให้จิตคิดปรุงแต่งไปในทางที่ผิด ปงแต่งว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ปรุงแต่งว่าอยากจะให้อยู่ไป น, นานๆอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเป็นไปไม่ได้ขัดกับความจริงของร่างกายร่างกายของคนทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่าไปมีร่างกาย เวลาตายสมมติว่าชาตินี้ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็หยุดอย่อยาไปหาร่างกายอันใหม่จะหยุดร่างกายอันใหม่ได้ก็ต้องมีปัญญาที่จะมาดับความหลงความหลงทำให้ใจอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เพราะคิดว่าเป็นแล้วจะมีความสุขก็เลยต้องไปเกิดใหม่ พอร่างกายนี้แตกดับไปก็อยากจะไปเกิดใหม่อยากจะไปหาร่างใหม่อยากจะเกิดใหม่อีกแต่ลืมคิดไปว่าเมื่อเกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามีปัญญาก็จะพยายามหักห้ามความอยากต่างๆสอนใจว่าไม่มีอะไรดีกว่าใจเองใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ทุกข์ แตใจต้องไม่อยากถ้าไม่อยากจะทุกข์เพราะความอยากของใจเป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสั้มาสอนเรื่องใจพวกเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีใจเพราะใจนี้มันไม่มันไม่มีมันไม่มีลักษณะอะไรให้เราสามารถที่จะ จับได้เหมือนกับร่างกายหรือเหมือนกับข้าวของต่างๆใจเหมือนกับท้องความว่างที่อยู่รอบตัวเรานี้มันไม่มีอะไรแต่มันมีอย่างเดียวก็คือมีความรู้มตีตัวรับรู้อยู่เป็นผู้รับรู้และเป็นผู้คิดคิด ด, ค ด, ดีคิดชั่วคิดไม่ดีคิดไม่ชั่วเป็นใจเป็นผู้คิดและคิดดีก็อาศัยมีปัญญาถึงจะคิดดีได้ ถ้าไม่มีปัญญาก็จะคิดแต่ไม่ดีคิดแต่สร้างความทุกข์ให้กับใจคิดอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่คิดอยากมีนั่นคิดอยากมี น, นี่ก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ความจริงอันนี้จึงเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกถ้าเราถ้ามีคนถามว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสู้นนั้นคืออะไรก็คือ ความสุขความทุกข์ของใจพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เรื่องของใจรู้จักใจรู้จักว่าอะไรทำให้ใจมีความสุขรู้ว่าอะไรทำให้ใจมีความทุกข์เมื่อรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเพราะอะไรที่สร้างความทุกข์ให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดไปหมดเช่นความอยากทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความอยากในการ ก็ อ, อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเพราะพุทธเจ้าไม่มีความอยาก้วเวลารับประทานอาหารก็รับประทานเพื่อร่างกายไม่จไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มีรสอย่างนั้นมีรสอย่างนี้มีอะไรก็รับประทานได้เพราะใจไม่ได้รับประทานผู้ที่รับประทานคือร่างกายร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขารับประทานอะไรเหมือนกับรถยนต์เขาไม่รู้ว่า เราเติมน้ำมันชนิดใดให้กับรถยนต์จะเป็นยี่ห้อใดเขาก็ไม่รู้คนขับรู้แต่คนขับไม่ได้ดื่มน้ำมันรถยนต์เป็นผู้ใช้น้ำมันดื่มน้ำมันชั้นใดใจของเราก็ไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายเป็นผู้รับประทานอาหารแต่ใจเรากลับไปวุ่นวายกับการรับประทานอาหารของร่างกายรับประทานอาหารชนิดใดได้ ชนิดนี้รับประทานไม่ได้ทำไมคนอื่นก็รับประทานได้เราทำไมรับประทานไม่ได้ก็เพราะว่าใจของเรานั้นมีความอยากนั่นเองอยากรับประทานอาหารชนิดนี้ไม่อยากรับประทานอาหารชนิดนั้นเพราะไม่เคยรับประทานอะไรที่ไม่เคยรับประทานเวลาจะให้รับประทานใหม่ๆจะไม่ชอบจะไม่อยากเราจึงต้องรับประทานอาหารที่เรา เคยรับประทานมาถ้าเกิดเป็นคนไทยก็ต้องรับประทานอาหารไทยใไปรับประทานอาหารฝรั่งใหม่ๆก็รับประทานไม่ลงแต่ถ้าจําเป็นเช่นไปอยู่เมืองนอกไม่มีอาหารไทยรับประทานก็ต้องฝืนรับประทานไปพอรับประทานไปนานเขาก็จะชอบขึ้นมาเองจะติดเป็นนิสัยขึ้นมาเองเพราะอะไรก็ตามถ้าเราทําบ่อยๆเท่าแล้วมันก็จะเกิดเกินเกิด ความเคยชินเกิดความพอใจขึ้นมาแต่ใหม่ๆถ้าต้องรับประทานอะไรที่เราไม่เคยรับประทานเราจะรู้สึกรับประทานไม่ลงนี่เป็นเพราะเรื่องของใจเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราสามารถดับความอยากในใจได้แล้วเราจะรับประทานอาหารได้ทุกชนิดถ้าคนอื่นเขารับประทานได้เราก็รับประทานได้ถ้ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายก็รับประทานได้หมด ดังนั้นถ้าเราอยากจะตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารที่รับประทานไม่ได้ยูจีจุกจิกต้องรับประทานเฉพาะอาหารบางชนิดอย่างนี้เราก็ควรที่จะดัดสันดานของใจเราพยายามเอาอาหารต่างๆที่เราจะรับประทานนี้มารวมกันในชามคลุกกันเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดี อาหารชอบหรือไม่ชอบก็เอามารวมกันของเคาาของหวานผ ล, ลไม้เอามารวมกันแล้วก็รับประทานแบบนั้นต่อไปมันจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารมีอะไรก็รับประทานได้หรือถ้ามันยังรับประทานไม่ได้ก็อย่าไปรับประทานสักสองสามวันดูถ้าไม่ได้รับประทานข้าวสักสองสามวันนะต่อไปเห็นข้าวปลาก็ก็รับประทานได้ เมื่อมีความหิวมากๆแล้วอะไรก็รับประทานได้นี่คือวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารถ้าเรามีปัญหากับเรื่องอะไรเราต้องดัดสันดานดัดใจของเราเราชอบอะไรเราก็ควรที่จะหัดจะไม่ชอบเพราะถ้าเวลาเราชอบแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบเราก็จะเสียใจเช่นเดียวกับสิ่งที่เราไม่ชอบ เราก็หัดชอบเสียเพราะเวลาที mm ่เราได้สิ่งที่เราไม่ชอบมาเราจะเสียใจเราจะไม่พอใจแต่ถ้าเราชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วต่อไปเราก็จะไม่เสียใจได้สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่เสียใจไม่ได้สิ่งที่เราชอบก็จะไม่เสียใจคือใจของเราจะอยู่เป็นกลางอยู่เฉยๆไม่ชอบไม่ชังได้ทั้งนั้น ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเช่นเราไม่ชอบคนด่าเราคนนินทาเราเราก็ควรจะหัดชอบเสียหัดด่าตัวเราเองเวลาคําพูดของคนที่เขาพูดมาแล้วเสียดแทงใจเราเราก็เอาคำพูดนั้นมาด่าเราอยู่เรื่อยๆมาพูดอยู่เรื่อยๆให้มันชินกับคําพูดกับคํานั้นต่อไปเวลาเขาด่าเราเราจะได้รู้สึกเฉยเฉยว่าเราฟังเสียจนชินชาเสียแล้ว ส่วนคำสรรเสริญก็อย่าไปชอบพยายามอย่าชมตัวเราเองอย่ายกย่องตัวเราเองอย่าไปอยากให้คนอื่นยกย่องเราเพราะถ้าเกิดเขาไม่ยกย่องเขาไม่ชมเราเราจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อการสรรเสริญหรือต่อการดินทาเราจะไม่เดือดร้อนใครเขาจะดา่าเราก็ปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ใครเขาจะชม เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราฟังแล้วเราวิเคราะห์พิจารณาไปด้วยเหตุด้วยผลดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่เ <thirty> <ye> ช่นเ <n> <th ye> ขาชมเราว่าเราเป็นอย่างนั้น <n> <th ye> เป็นอย่างนี้เราก็ว <n> ิเคราะห์ดูว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหร <n> ือไม่ถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดก็แสดงว่าเขาพูดจริงเขาพูดออกมาจากความจริงใจ <n> <th ye> เขาไม่ได้พูดออกมาจากความสอพร เอา อ, อกเอาใจเราถ้าเขาพูดแล้วไม่จริงเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้พูดความจริงเขาไม่ได้พูดออกมาจากความจริงใจเขาพูดเพื่อที่จะเอาใจเราหรือพูดเพื่อจะให้เราโกรธเช่นว่าเราแกล้งด่าเราว่าเราทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาด่าที่เขาว่าถ้าเราฟังด้วยสติด้วยปัญญาด้วยใจที่เป็นอุเบกขาด้วยใจที่เป็นกลาง เราจะรู้สึกเฉยๆเราจะวิเคราะห์คาพูดไปคาพูดของเขาไปแล้วเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนจริงหรือเขาเป็นคนสอพอเราจะรู้จากการพูดของเขาแต่เราจะไม่เดือดร้อนต่อสิ่งที่เขาพูดเพราะถ้าเราไม่ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราดีได้ถ้าเราดีเขาก็ไม่สามารถทำให้เราไม่ดีได้ แต่ถ้าเราไม่ดีแล้วเขาบอกเราให้รู้ว่าเราไม่ดีอย่างนี้เราควรที่จะขอบคุณเขาเพราะการที่เขาชี้ความไม่ดีของเรานี้เป็นเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราถ้าเราไม่มีกระจกส่องหน้าเราเวลาที่เราแต่งหน้าแ ต, แต่งตาแต่งปากเราจะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเราต้องมีกระจกคอยส่องดู ดังนั้นถ้าใครเขาบอกความผิดของเราชี้ความไม่ดีของเราเราไม่ควรโกรธเขาเราควรที่จะขอบคุณเขาเพราะเขาชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราเช่นพ่อแม่เวลาที่คอยสอนคอยบอกคอยเตือนเรานี้ท่านบอกเราด้วยความเมตตาบอกด้วยความกรุณาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไม่อยากให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดี แล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาเช่นเวลาที่ท่านเห็นเราเดื่มสุราหรือสูบบุรีหรือเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ถ้าท่านเตือนเราบอกเราว่าอย่าสูบบุรีนะอย่าดื่มสุราอย่าไปเที่ยวกลางคืนให้มากจนเกินไปไปเท่าที่จําเป็นเช่นไปงานแต่งงานหรือไปงานอะไรที่จําเป็นต้องไปแต่อย่าออกไปเพราะเบื่อไม่ไม่อยากจะอยู่บ้าน ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอย่างนี้เป็นการสร้างความเสื่อมให้แก่จิตใจถ้ามีผู้เตือนเราอย่างนี้เราก็ควรที่จะขอบอกขอบใจคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับคําเตือนนั่นเองที่ทรงสอนไม่ให้พวกเราไปยุ่มเกี่ยวกับอบายยนุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรายาเมา เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคราสนี่คือสาเหตุที่จะพาให้จิตไปสู่อบายเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องกับอบายอย่างกแล้วก็เป็นเหมือนผู้ที่ยืนอยู่ปากทวารของอบายนั่นเองกำลังจะก้าวเข้าสู่อบายแล้วก็จะก้าวเข้าไปตามลาดับต่อไปเพราะอะไรเพราะเมื่อ ไปยุ่มเกี่ยวกับอบายแล้วต่อไปก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมเช่นเสพสุรายาเมาแล้วเกิดอาการมึนเมาก็อาจจะไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ความคิดที่ไม่ดีได้ไปไปทำผิดศีลได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าไม่เสพสุราก็จะ ม, มีสติสัมปชัญญะที่จะสามารถควบคุมการกระทาให อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ถ้าเดินสุลาแล้วไปขับรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นก็จะไปประสบอุบัติเหตุได้ไปทำให้คนอื่นตายได้จะตายด้วยมีความเจตนาหรือไม่ก็ตาก็ก็เป็นบาปเหมือนกันนี่คือเรื่องของคำสอนหรือคำชี่แน่ของผู้ที่หวังดีกับเรา เราผู้ฝังนั้นเราต้องฝึกจิตของเราให้ไม่ยินดียินร้ายกับคำพูดของผู้อื่นเหมือนกับเราไม่ยินดียินร้ายกับการเปลี่ยนแปลงของวันเวลาเช่นกลางวันแล้วก็กลางคืนอย่างนี้เป็นต้นเราไม่เดือดร้อนเวลากลางวันหมดไปกลางคืนมาแทนที่เวลากลางคืนหมดไปกลางวันมาแทนที่เราก็ไม่เดือดร้อนเช่นใด เวลาเราได้ยินคำสรรเสริญหรือนินทาเราก็ไม่ควรที่จะเดือดร้อนเพราะมันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปบังคับคำพูดของผู้อื่นได้ผู้อื่นจะพูดอะไรจะทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้เราต้องตัดเราอย่าไปสนใจกับคําพูดของเขาหรือกับการกระทาของเขาถึงแม้จะเป็นบุคคลที่เราราักเราห่วงใยเช่นลูกหลานของเรา เราอยากจะให้เขาได้ดีแต่เมื่อเราสอนแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่ทำตามเขาจะทำตามเรื่องของเขาเราก็ต้องทำใจอย่าไปทุกกับเขาเพราะไม่ไปเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงความเป็นไปของเขาเขามีบุญมีกรรมมาอย่างไรเขาก็จะต้องทำไปตามบุญตามกรรมของเขาถึงแม้เขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แต่เขาถ้าเขายังมีบาปกรรมอยู่เขาก็จะไม่มีกำลังที่จะฝืนการกระทำบาปการกระทากรรมเขาจะไม่มีกำลังทำบุญทำความดีได้เราผู้มีความเกี่ยวข้องกับเขา ก, ก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าเขากับเราเป็นคนเราส่วนกันเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วหรื อ, อยังถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่มีหน้าที่สั่งสอนเขาเราก็สั่งสอนเขาไป <c oughs> แต่เราไปทำแทนเขาไม่ได้ทำให้เขาดีไม่ได้ทำให้เขาไม่ทำความดีไม่ได้เราไปทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องอย่าไปเย็นดีย็นร้กับเขาเขาจะประพฤติอย่างไรเขาจะพูดอย่างไรเราก็ต้องทำใจแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์นั่นเองนี่คือเรื่องของใจเรื่องของอริยศาสต ร, ร์สี่ ทุกข์กับนิโรธทุกขสมุทยัยนิโรธนะทุกข์เกิดจากสมุทัยคือความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามรรคมรรคก็คือปัญญาความรู้ความจริงเมื่อเรารู้แล้วเราปล่อยวางได้ปล่อยให้เขาทําไปตามเรื่องของเขา ไม่ไปเดือดร้อนกับการกระทําของใครเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็แปลว่านิโรธนิโรธแปลว่าการดับทุกข์เนี่ยในใจของพวกเรามีอริยสัจทั้งสี่ข้อนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าอันไหนจะทํางานเรามีทุกข์เรามีสมุทยัยเรามีนิโรธเรามีมรรคอยู่ที่ว่าอันไหนจะทํางานถ้าสมุทัยทํางานความอยากทํางาน ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีถ้าปัญญาทำงานสติปัญญาทำงานปล่อยวางได้ตับได้ไม่ยินดียินร้ายได้ไม่รักไม่ชังได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ไหนสิ่งทั้งหลายนี้อยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้ที่ไหนไม่ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้เสวตขึ้นไปพระ น, นิพพานเพราะพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเราสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนสวรรค์ก็อยู่ในใจของเราเวลาใจของเราไม่มีความทุกข์ตอนนั้นก็เป็นสวรรค์เวลาที่ใจของเรามีความทุกข์ตอนนั้นก็เป็นนรกอยู่ที่เราอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราจะคิดไปในทางไหนคิดไปในทางกิเลสตัณหาก็จะทุกข์ขึ้นมาคิดไปในทางสติปัญญาในทางธรรมะก็จะเป็นสุขขึ้นมาจะดับทุกข์ได้ ดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาพระธรรมคําสอนของพ่อพระพุทธเจ้าให้มากแล้วนําเอามาใช้กับใจของเราให้คิดไปในทางธรรมะให้คิดปล่อยวางให้คิดตัดความอยากทั้งหลายถ้าเราคิดได้แล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขนี่คือเรื่องของธรรมะที่มีความจําเป็นต่อชีวิตจิตใจของเรามากถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วใจของเราจะมีแต่สมุทยัยมีแต่ตัณหาอย่างเดียว นั่นก็จะมีความทุกข์มีไฟนรกเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วใจของเราจะเย็นจะสงบจะสบายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติสร้างธรรมะให้แก่ใจนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัฒนไตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุณลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาะละโดยทั่วหน้าการเทอ